อันหนึ่งภิกษุไม่พึงทำความดูหมิ่นผู้อื่นอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยวัดเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นอยู่อย่างเศร้าหมองย่อมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่อยู่อย่างประณีตว่าภิกษุนี้ทำไมจึงมีความเป็นอยู่อย่างฟุ้มเฟืยยอยนะย่อมได้ฉันพืชทั้งปวงคือพืชแต่รากลาต้นผลยอดเป็นที่ห้าเนี่ยนะ ภิกษุนนี้ข้ามทุกไม่ได้แล้วเพราะความที่ตนมีความเพียรเสมอด้วยฟ้าแลบและผนเอินเหล็กก็คือดูถูกกันนะว่าิจริงๆอ่ะตัวเองไม่ได้จะเริญอะไรสักอย่างหรอกก็ดูถู ก, กว่าคนอื่นนี่แหมขี้เกียจจังเลยแบบนั้นภิกษุนั้นยอมพูดดูหมิน่นภิกษุอื่นที่มีการอยู่อย่างประณีดด้วยการด้วยความเป็นอยู่อย่างเศร้าหมอง เพราะฉะนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อยู่อย่างประนีต ย, ย่อมดูมหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างเศร้ามองว่าภิกษุนี้ทําไมจึงมีบุญน้อยมีศักดิ์น้อยไม่ได้จีวรบินทบาเสนาสนักกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นย่อมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เป็นอยู่อย่างเศร้ามองด้วยความเป็นอยู่อย่างประนีตคือตัวเองมั่งมีนะตัวเองมั่งมีก็ดูถูกคนอื่นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ใครถามปัญหาก็แก้ได้เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาส่วนภิกษุเหล่าอื่นไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาเธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นด้วยความถึงพร้อมด้วยปัญญานั้นนะะคนอื่นมีใครตอบได้ตอบได้แต่ฉันอยู่คนเดียวฉันเก่งกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสัมรวมแล้วด้วยความสัมรวมในปาฏิโมกข์อยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็น ภายในโทษทั้งหลายมีประมาณเล็กน้อยสมถารถาศึกษาอยู่ในศิคขขาบททั้งหลายเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลส่วนภิกษุเหล่านี้เป็นผู้ทูตศีลมีบาปธรรมเธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัดคือเป็นผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินธบดเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัด ไตรจีทงไตรชีวรเป็นวัดเป็นผู้ถือเที่ยวบินธบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดไม่ฉันพัดในหนหลังเป็นวัดถือเนสัศชิกเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัดคือทุดงคขวัตเนี่ยนะส่วนภิกษุเราอื่นไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทุดงคขวัตเธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นด้วยความถึงพร้อมด้วยวัดอย่างนี้นะอาศัยการรักษาศีลอาศัยการรักษาธุดงก็ดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะ อันหนึ่งคําว่าไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยนะก็อย่าเอาปัญญาเป็นไว้ดูหมิ่นเขาหรือศีลหรือด้วยทุดงขวัตความว่าไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ประณีดด้วยความถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลด้วยความถึงพร้อมด้วยวัดคือไม่พึงให้ความถือตัวเกิดขึ้นด้วยความเป็นอยู่เป็นต้นนั้นอ่ะไม่พึงเป็นผู้หัวดื้อหัวแข็งหัวสูง คืออย่ามีมานะนะด้วยความเป็นอยู่เป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันหนึ่งไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยวัดเพราะฉะนั้นคนมีศีลมีปัญญามีวัดนี่ก็จะทําให้เกิดมานะเมื่อเกิดมานะก็จะเกิดอติมานะดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะเพร ะ, ะนั้นภิกษุไม่พึงภิกษุพึงเวน้นคืองดเว้นจากการพูดเท็จเมื่อรู้สึกตัวอยู่ไม่พึงทําความโอ้อวด อันนึงภิกษุไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยวัดภิกษุถูกประทุษร้ายได้ฟังวาจา ม, มากของพวกสมณะหรือของพวกผู้มีถ้อยคำมากไม่พึงโตตอบกับคนเหล่านั้นด้วยคำหยาบเพราะภิกษุผู้สงบไม่ทำผู้อื่นให้เป็นศัตรู น, นี่ก็ถึงถูกเขาด่าเขาว่าเขาอะไรมาก็อย่าไปโตตอบกับคนเหล่านั้นด้วยคำหยาบ แล้วก็อย่าสร้างศัตรูเนี่ยนะเรียกว่าอย่าพูดคําหยาบอย่าสร้างศัตรูกันแล้วกันคําว่าถูกประทุษร้ายเนี่ยนะความว่าคนอื่นประทุษร้ายด่าเสียดสีเหยียดย่ำตีเตียนค่อนว่าเข้าแลว้วก็คือพวกสมณพราหมณ์นอกาศาสนาเขาว่าเอานะหรือแม้กระทั่งพวกครหัดกษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรค ร, รหัดบรประชิตเทวดา ม, มนุษย์ที่เขาดา่าว่าบริภาษติเตียนสาบแช่งเบียดเบียนย่ํายีให้ฆ่า เข้าไปฆ่าเองทําความเข้าไปฆ่าด้วยวาจาเป็นอันมากอันไม่น่ารักไม่น่าชอบใจภิกษุได้ยินได้ฟังจําไว้ก็เข้าไปจําไว้กําหนดแล้วซึ่งวาจามากของชนเหล่านั้นอันไม่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจเพราะฉะนั้นภิกษุถูกประทุสร้ายได้ฟังวาจาของพวกสมณะพราหมณ์หรือพวกผู้ที่มีถ้อยคํามากกันะพวกนักด่าเก่งเป็นต้นเนี่ย คำว่าหรือฟังด้วยคําหยาบคายเนี่ยนะก็ไม่พึงโต้ตอบก็คือไม่พึงกล่าวตอบไม่พึงด่าตอบคนที่ด่าไม่พึงแช่งตอบคนที่แช่งไม่พึงเคืองตอบคนที่เคืองไม่พึงทําความทะเลาะไม่พึงทําความเขัดเครืองไม่พึงทําความแก่งแย่งไม่พึงทําความวิวาทไม่ถึงไม่พึงทําความทุ่มเถียงพึงละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความทะเลาะความขัดเคืองความแก่งแย่ง ความวิวาทความทุ่มเถียงพึงงดเว้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับความทะเลาะความขัดเคืองความแก่งแย่งความวิวาทความทุ่มเถียงพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่คําว่าผู้สงบก็คือพิกษุนผู้สงบเข้าไปสง บ, ส ง, บสงัดระงับดับราคาโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธปริสยามานาเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงอกุศลาภิสังขารทั้งปวง เป็นบาปธรรมอันสงบถึงความสงบสงัดไม่ดับหายไประ ง, งับแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้สงบอันผู้สงบก็คือสงบบาปอากุศลธรรมมีราคาเป็นต้นนั่นเองพันคําว่าภิกษุผู้สงบก็คือไม่ทําผู้อื่นให้เป็นศัตรูความว่าภิกษุผู้สงบไม่ทําผู้อื่นให้เป็นศัตรูไม่ทําผู้อื่นให้เป็นฆ่าศึกให้เป็นเวรให้เป็นปฏิบัติ คือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุผู้สงบไม่พึงทําผู้อื่นให้เป็นศัตรูทั้นสรุปคาถาว่าภิกษุถูกประทุสร้ายได้ฟังวาจา ม, มากของพวกสมณะหรือของพวกชนที่มีถ้อยคํามากไม่พึงโต้อตอบกัะชนเหล่านั้นด้วยคำหยาบเพราะภิกษุผู้สงบ สงบก็คือสงบสมุทัยสัตว์เนี่ยนะย่อมไม่ทําผู้อื่นให้เป็นศัตรูอันคนสงบจริงๆจะไม่สร้างศัตรูเนี่ยนะก็ถ้าภิกษุรู้ธรรมะนั่นแล้วค้นคว้าอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาในกาละทุกเมื่อภิกษุรู้ความดับว่าเป็นความสงบแล้วไม่พึงประมาทในาศาสนาของพระโคดมเนี่ยนะคาถานี้ก็เป็นคาถาชี้นะ คาถาที่ผ่านผ่านไปเนี่ยโดยมากเป็นข้อห้ามอันนั้นห้ามอันนั้นไม่ควรอันนี้ไม่เหมาะอันนี้ไม่ไมสมนะทีนี้ก็จะเน้นถึงข้อปฏิบัติละ ว, ว่าต้องมาทําอย่างนี้ว่าภิกษุนั้นรู้ทำแล้วคือทำมาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยประกาศให้ตื่นแล้วคําว่ารู้ธรรมนั้ น, น, นแล้วคือรู้ยังไงคือรู้พิจารณาเทียบเคียงคำให้แจมแจ้ง ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้ชื่อว่ารู้ธรรมะแล้วอีกอย่างหนึ่งรู้ทราบพิจารณาเทียบเคียงทําให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งธรรมะอันเสมอเนี่ยนะคือธรรมะที่เสมอเสมอทางกายเนี่ยนะเสมอทางกายวาจาใจหรือธรรมะอันไม่เสมอทางกายวาจาใจธรรมะเป็นทางธรรมะไม่เป็นทางคือเป็นมักไม่เป็นมักเนี่ยนะเป็นทางก็คือสุจริตไม่เป็นทางก็คือทุจริตเป็นธรรมะมีโทษ ธรรมะไม่มีโทษทำเลวทำประณีตทรมดำทำขาวทำที่วินยูชนติเตียนทำที่วินยูชนสรรเสริญแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ชื่อว่ารู้ธรรมแล้วตรงนี้ถ้าตางคัมภีินเนติปกรณ์นี่บอกว่ายาตะปริญญาเนี่นะคือการรู้ธรรมะเหล่านี้นะพร้อมทั้งผลแห่งธรรมะเหล่านี้รู้เหตุปัจจัยของธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดนะนะอีกอย่างหนึ่งรู้ทราบพิจารณาเทียบเคียงทำให้แจ้ง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 ความหมั่นประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่สติสัมปชัญญะสติปทาน4ี่สัมมาปทานสี่อิทิบาสีอินรีห้าพละห้า 5, โพชฌงเจ็ดอริยมรกมีองคปดนิพพานธรรมะข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงนิพพานด้วยเหตุนี้ชื่อว่ารู้ธรรมะเหล่านั้นแล้วก็คือสรุปรู้คำสอนเป็นอย่างดีเนี่ยนะรู้แยกแยะ ก, กุศลอกุศลได้ชัดเจนเป็นอย่างดีรู้แม้กระทั่งข้อปฏิบัติ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 เพราะอาวิชานี่แหละถูกสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับเป็นต้นเรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมนั้ผู้ที่รู้เนี่ยก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมเรียกว่ารู้ความดับเมื่อรู้ความเกิดความดับอย่างนี้ก็สามารถที่จะรู้อริยสัจ ค, คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้ารู้อริยสัจจริงก็ประมวลนะนะแยกแยะ ถึงกิเลส ท, ที่ตัวเองละได้ะรู้เหตุเกิดของกิเลสความดับของกิเลสข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกิเลสเนี่ยนะสามารถที่จะ ก, กาหนดรู้ยิ่งนะด้วยยาตะปริญญากาหนดรู้ด้วยตีระปริญญาละด้วยปหานะปริญญาทำให้แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรู้เหตุเกิดความดับอสสาทาอาทีนวะนิสระนของอุปาทานขันห้าภาษายตนาหกมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะตลอดจนถึง รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ที่ค้นคว้าเนี่ยก็จะเห็นลักษณะนี้ทีนี้คําว่าค้นคว้าก็มีสติในการทุกเมื่อนะทุกเมื่อตลอดการทั้งปวงเนี่ยนะตลอดเวลานะตลอดการสืบต่อตลอดระยะการเป็นนิดนะ่ะคิดว่าไม่ว่าก่อนอาหารหลังอาหารไม่ว่า กลางคืนกลางวันไม่ว่าจะเป็นปฐมมยะปฐมวัยมัชชิมวัยปัชชิมวัยนะก็มีสติตลอดการทีนี้คำว่ามีสติก็โดยเหตุสี่ประการคือมีสติเจริญสติประธานพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่ามีสติโดยอนุสติสิ คำว่าศึกษาก็เพิงศึกษาสิกขาสามคื อ, อที่ศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงนะเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ อ, อที่ถานจิตเนี่ยนะเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะก็ชื่อว่าสิกขาหรือว่าเมื่อรู้ยิ่งทําที่ควรกําหนดรู้รู้รยิ่งทําที่ควรรู้ยิ่งเจริญละทําให้แจ้งเป็นต้นนี่ก็ชื่อว่าสิกขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ ศึกษาก็ประพฤติเอื้อเฟื้อนะประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยดีสมท า, านประพฤติไ ป, ปเพราะฉะนั้นสรุปว่าภิกษุค้นคว้าอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาอยู่ในการทุกเมื่อนะค้นคว้าหมายถึงค้นคว้าสัจธรรมนะค้นคว้าอย่างนี้ก็ทําด้วยสติสิกขาสามเจริญสิกขาสามอย่างนี้ยตลอดเวลา คำว่ารู้ความดับว่าเป็นความสงบนะคำว่ารู้ความดับก็คือพิจารณาเทียบเพียงทําให้เจ็มทําให้แจ้งซึ่งความดับราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธเป็นต้นเนี่ยนะว่าเป็นความสงบเพราะฉะนั้นรู้ความดับกิเลสนั่นแหละว่าเป็นความสงบไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดมความว่าศาสนาพระองพระโคดมคือพระพุทธศาสนาศาสนาของพระชินเจ้าศาสนาของพระตถาคต ศาสนาของท่านผู้เป็นเทพศาสนาของท่านผ้าหันเนี่ยนะคำว่าไม่พึงประมาทก็คือไม่ประมาทหมายถึงว่าทำโดยเอื้อเฟื้อทำโดยติดต่อทำไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ปลงฉันท่าไม่ทอดทุระไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศลความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเป็นผู้ขยันความเป็นผู้มีเรี่ยวแรงความไม่ถอยกลับความระลึกได้สติสัมปชัญญะเนี่ยนะ ความเพียรเป็นเครื่องกิเลสให้ร้อนความเพียรอันตั้งไว้ความตั้งใจความหมั่นประกอบในกุศลธรรมว่าเมื่อไหร่เราจะยังศีลละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ขึ้นนะเมื่อไหร่เราพึงกําหนดรู้ทุกข์ที่ยังไม่กําหนดรู้ละกิเลสที่ยังไม่ล ะ, จะเจริญมรรคที่ยังไม่จเจริญทําให้แจ้งนิโรธที่ยังไม่ทําให้แจ้ง อย่างเนี้ยชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายสรุปว่าภิกษุรู้ธรรมะนั้นแล้วค้นคว้าอยู่พึงเป็นผู้มีสติศึกษาอยู่ในการทุกเมื่อภิกษุรู้ความดังว่าต่นะภิกษุรู้ความสงบว่าทำไมแปลไม่เหมือนกันภิกษุรู้ความดับว่าเป็นความสงบแล้วเนี่ยนะนะไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม ก็ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงําไม่ถูกครอบงําได้เห็นแล้วซึ่งสักขิธรรมโดยไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นแหละภิกษุพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนมัสการอยู่พึงหมั่นศึกษาในการทุกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัส ด, ดังนี้คาถานี้เป็นคาถาสุดท้ายแล้วไนงะก็นับว่าเป็นคาถาสุดยอดแล้วว่างั้นว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงํา ไม่ถูกครอบงำคําว่าครอบงำก็คือครอบงำรูปเสียงกลิ่นรสโพธะพระธรรมรมเป็นผู้ไม่ถูกกิเลสอะไรครอบงำอย่างนี้เรียกว่าพิกษุครอบงามำ น, นะหรือพิษุเป็นผู้ครอบงำเหล่าอากุศลธรรมมลามกอันทําให้เศร้าหมองอันให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกวนกวายมีวิบาบเป็นทุกข์อันเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปอย่างนี้แหละเรียกว่าพิสุผู้ครอบงำแล้วก็ไม่ถูกครอบงำ เป็นผู้ครอบงำมสมุทรไยศัตร์เนี่ยนะไม่ถูกสมุทรยาศาตร์เนี่ยครอบงำคำว่าสักขิตสักคิธรรมเนี่ยนะสักคิธรรมก็คือหมายถึงนิพานว่าได้เห็นเห็นทั่วพบเห็นแทงตลอดแล้วซึ่งธรรมะที่ประจักษ์แก่ตนซึ่งรู้ยิ่งด้วยตนเองไม่ใช่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าธรรมะเป็นดังนี้เนี่ยนะธรรมะนี้เป็นดังนี้ไม่ใช่เชื่อโดยการฟังต่อๆกันมาไม่ใช่ สืบมาตามลำดับไม่ใช่อ้างตำราไม่ใช่นึกเดาเอาเองไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่ตรึกตามอาการไม่ใช่เห็นว่าควรแก่รับที่ของตนเนี่ยคำว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือเพราะการณะเหตุปัจจัยนิทานนั้นคำว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าความว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือในศาสนาของพระโคดม ในพระพุทธศาสนาในศาสนาของพระชินเจ้าในศาสนาของพระตถาคตในศาสนาของท่านผู้เป็นเทพในศาสนาของพระอรหันต์คำว่าพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือเป็นผู้ทําโดยความเคารพเป็นต้นนั่นเองตลอดการทุกเมื่อก็คำว่านามสการอยู่คือนามสการสการะเคารพนับถือบูชายำเกรงด้วยกายวาจาและจิต ด้วยการปฏิบัติธรรมไปตามประโยชน์หรือด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นการนมัสการก็หมายถึงนมัสการด้วยการปฏิบัติบูบชานั่นเองคําว่าศึกษาอนนพึ่งมั่น ศ, ศึกษาก็คือหมั่นศึกษาในา 3, สิกขาสามเมียที่ศีลสิกขาที่จิตสิกขาทธิปัญญาสิกขาคําว่าพระวาก็เป็นชื่อของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคําที่กล่าวโดยความเคารพเป็นต้น สรุปว่าก็ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงําไม่ถูกครอบงำ น, นะครอบงำสมุทยัยศาสตร์ไม่ถูกสมุทยัยศาสตร์นี้ครอบงําเห็นแล้วซึ่งสักขีธรรมสักขีธรรมคือพระนิพพานเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นภิกษุ พ, พึงเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะนมัสการอยู่พึงหมั่นศึกษาตลอดการทุกเมือ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดังนี้แหละเนี่ย นี่ก็เป็นข้อความในตัวตกะสุตตะนิเทศเป็นพระสูตรที่เหมาะกับผู้พิกษุเทวดาที่เป็นศรัทธาจริตเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาจริตนี้ฟังพระสูตรเหล่านี้ซึ่งกล่าวถึงข้อห้ามเป็นส่วนมากเนี่ยข้อห้ามอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาก็จะรับได้ด้วยดีเนี่ยนะจะรับได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นพระข้อความในพระสูตรนี้จึงเหมาะ กับผู้ที่เป็นศรัทธาจริตเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะในตอนท้ายของอัตกาถาก็กล่าวว่าพระสูตรนี้เนี่ยนะผู้ที่ฟังแล้วก็บรรลุเช่นเดียวกับปูราเพทสูตรก็แปลว่าเทวดาบรรลุเป็นพะ้าหันในแสนโกดเนี่ยนะบรุเป็นพ้าอริยะมีพระโสดาบันเป็นต้นนี่ก็หาประมาณไม่ได้แต่ก็ไม่มีเราอีกตามเดิม เราก็ได้ยินพระสูตรนี้บ้างก็โอ๊ยนับว่าเป็นบุญของเราอย่างมากแล้วนะส่วนข้อความนี้อัตกระฐานนี้ขยายยาวมากเลยนะคือคือขยายตามลำดับบทซึ่งเป็นพระสูตรที่เรียกว่านับว่ายาวที่สุดเนี่ยนะในในบรรดาพระสูตรทั้งหมดเนี่ยก็อธิบายตามสมควรไปเนี่ยนะนั่นก็วันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เนาะ